เข้าไปในล่างพอ่อลมออกกระพริบตาหน้าปาพูดเงียบเป็นช่วงขณะ ท, ทุกขณะที่เราสัมผัสตัวเราอยู่ถ้าทำอย่างนี้ไม่นานเลยครับไม่นานก็คือเราจะค้นพบความทุเลาเบาบางในตัวเองครั้งนั้นเราพบว่ายางเหนียวเหนีวที่เคยยึดติดกับความคิดคเพราะมีความคิดแล้วมันหนึบหนับสังเกตดู่หมครับบางครั้งเราคุยกับเพื่อนนี่กลับไปนอนแล้วยังลุกกลับมาคุยต่อ มันเหนียวหนับอยู่ในอารมณ์มเราพบว่าความรู้สึกตัวของเราเข้มขึ้นความยึดติดในอารมณ์ในความคิดน้อยลงเราเริ่มค้นพบเออเนื้อที่ว่างในในตัวเองครับเริ่มพบว่าโลกนี้น่าอยู่มีกําลังใจที่อยู่โดยไม่ต้องไปบวชทีโดยไม่ต้องที่จริงบวชชีก็ดีนะเดี๋ยวจะหาผมตำแหน่งคือคือทางเลือกมันมีมากแต่อย่าคิดว่าการออกบวชเป็นทางเดียวเป็นขาด เพราะนั่นไม่จริงครับ ม, มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ ฟัไม่คยยินถนัดเพราะว่าเสียงแอบนะครับแต่ว่าจับความได้ว่าเรื่องเกี่ยวเวียนไหวตายเกิดและการสิ้นสุดของการเวียนไหวตายเกิดที่จริงคาถามนี้ถามจากความคิดต่อคติความเชื่อที่สืบทอดกันมานในเรื่องของชีวิตและการเวียนไหวตายเกิด โ, โดยทั่วไปนะครับพูดโดยทั่วไปก่อนความเชื่อที่ว่าชีวิตไม่ได้อุบัติขึ้นเมื่อเกิด และไม่ได้จบสิ้นเมื่อตายอันนี้เปความเชื่อมีมาก่อนหน้าพุทธกาลนะครับความเชื่อของนักคิดในอินเดียหรือในอียิปต์หรือแทบทุกแห่งในโลกนี้นะครับอย่างอียิปตโบราณเขาคิดเรื่องปราร o แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ปลีกย่อยแตกต่างกันเช่นก็เชื่อชีวิตจะกลับมาใหม่ในร่างเดิมจึงสร้างมัมมี่ไว้และเตรียมทรัพย์สมบัติไว้ด้วยครับอินเดียได้รับอิทธิพลของความคิด จากอีกิโบราณมาด้วยนะฮะอินเดียอียิปต์มันเชื่อมโยงกันตรงนั้นนะครับนึกหลับตานึกแผนที่กรตีนี้ถือว่าเป็นของพุทธบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าอนุรโอมได้ตรงที่ว่าความเชื่อเรื่องปารโลกนั้นเป็นสมาธิฏิในพุทธศาสนาพระเจ้าท่านบอกว่าความเชื่อเรื่องยันยกรรมยันมีผลโลกหน้ามีโลกนี้มีพ่อแม่มีคุณคุณพร ะ, ะหรหันในโลกนี้มีแล้วพระหรหันช่วยคนอื่นให้พ้นทุก มีอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นความทัศนาที่ถูกต้องแต่ถ้ามันถึงความรู้ขั้นแตกหักจริ ง, รงๆนะในพุทธศาสนามีความรู้หลายระดับความรู้ดับนี้นั่นเป็นสายใยสัมพันธ์ของชีวิตสมมติว่าผมมีคติความเชื่อว่าโลกหน้ามีแน่นอนนะผมกลัวบาปผมต้องทําดีแน่ครับเพราะว่าผมทําอะไรไว้จริงๆนั้นจะตอบกลับมาสู่ผมทางเลือกของมนุษคือ โดยสัญชาตญาณเราควรจะเลือกทําในสิ่งที่ดีกับตัวเองและดีคนอื่นนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อแน่ละเขาจะขาดเขาจะทําตามสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณของมนุษย์กับสัตว์ไม่ต่างกันมากได้เห็นแก่ตัวฆ่าเบียดเบียนนะงพรนั้นคติความเชื่อในเรื่องภพชาตินี่สําคัญนะครในหลักคิดทางจริยธรรมแต่ถึงดับโลกรัฐธรรมแล้วนั้นไปแ บ, บ่งนะครับเราแบ่ง ระดับเป็นสองอยู่เพื่อที่ให้ข้อความชัดเจนนะผมจะเล่าประสูตรในเนื้อหาที่สำคัญมากครับซึ่งเป็นความรู้ขั้นเด็ดขาดเรามีความรู้ขั้นต่อรองในความรู้จากแหล่งอื่นด้วยนะครับเหมือนเหมือนทุก ว, วันนี้ที่เราคุยคุยเรื่องการเมืองอะไรบางทีเราต้องลองดองในบางกระดับแต่ความรู้ขั้นเด็ดขาดนพุทศาสนามีครับผมจะไม่เล่าละเอียด น, นะมีพระลูหนึ่งเขาจะผิด แสดงทัศนะต่อหน้าเพื่อนฝูงว่าเขาเข้าใจธรรมะของพระเจ้าแล้วว่าบุตรชนทุกคนเมื่อตายแล้วเนี่ยต้องไปเกิดด้วยอำ น, นาจของกรรมวิบากเกิดอีกพร ะ, ะหรหันเท่านั้นที่สิ้นกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสนั้นตายแล้วก็ไม่เกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดเมื่อแสดงทัศนะนี้แล้วเพื่อนเพื่อนฝูงก็ห้ามปรามว่าจะพูดอย่างนั้นคุณกล่าวตูคําสอนของพี่เจ้าแล้วล่ะฟังนี้ว่าตูยังไงเขาฟังมันเฉพาะพระพัก ซึ่งโดยทั่วไปเราท่านๆ่านก็คิดเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับผมถามท <c oughs> ีนี้ปัญหาที่ก็มีตรงนี้ครับตรงที่ว่าพระที่เขารู้จรงิงเพราะอะไรฟองภาษาริบุตรภ <c oughs> าษาลิบุตรซึ่งเป็นผู้ที่เป็นอหรหันด้วยนะครับ <c oughs> ก็มาซักซ้ายไล่เลียงพระรูปนั้นว่าเธอเข้าใจอย่างนี้จริงหรือเพราะตรงนั้นก็ยืยนยันว่าเข้าใจอย่างนี้จริงๆรภาษาลิบุตรประนามเลยนะบอกเป็นโมคาบุตรเลยนะทําไมเธอกล่าวตู่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ซะหน่อย เอาแล้วทีนี้ยุ่งกันใหญ่แล้วที่ท่านพูดท่านจะสัก้ายว่าดูก่อนเธอมีผมว่าตามสำนวนเนี่ยนะก็อรหันมีในรูปรูปขันเนะหรือไม่ในรูปมีอรหันหรือไม่ในอรหันเป็นรูปหรือเปล่าพราะนั้นบอกไม่รูปก็คือรูปทั้นนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่ง เราถือนี่เป็นการแบ่งชีวิตออกเป็นหมวดหมดเป็นหมวดรูปเวลาสัญญารเราเรียกย่อๆขันห้าใช่ไหมครับสักไปซักมาบอกว่าวิญญาณเป็นอรหันต์หรือเปล่ามีอรหันต์อยู่ในวิญญาณไม่มีทั้งนั้นเลยภาษาอยู่ก็เอาแล้วเธอพูดได้ยังไงว่าคนตายแล้วต้องไปเกิดอีกมีเลยในเมื่อตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยบุคคลสัตว์ตัวตนเราเขาไม่มีอยู่เลยในขันห้าเอาแล้วที่นี้ยุ่งนะครับ ในพุทธศาสนาถือว่าคนไม่มีครับดังนั้นคนไปเกิดไปตายนั้นไม่มีความรู้ขั้นเด็ดขาดขั้นโลกุตระเป็นอย่างนี้ส่วนทางความรู้สึกของเราเพราะเรายึดติดในความเป็นตนคนคุณฉันใช่หรือเปล่าครับดังนั้นช่วยไม่ได้ครับที่เราคิดว่าเราต้องเกิดแล้วตายหรือไม่เกิดแล้วศูญแต่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงโลกุตระทำแล้วไม่มีปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดและตายแล้วศูญ จบไปทั้งสองอย่างครับเพราะว่าในพุทธศาสนาถือว่าคนสัตว์บุคคลตัวตนเป็นสมมุติมันไม่มีอยู่ในขันห้าตั้งแต่ต้นมือแล้วนะครับนี่เป็นความรู้ขั้นเด็ดขาดสิ้นเชิงจริงๆนะแต่ว่าเราต้องนำสองท่อนนี้มาเชื่อมโยงกันนะฮะในฐานะที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจเข้าถึงความรู้ขั้นเด็ดขาดนี้ได้ดังนั้นความรู้ในเรื่องว่าปรโลกมีชาติหน้ามี มีอุปการะคุณครับเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ทําดีกับตัวเองและเพื่อนมนุษย์เพราะเราทุกคนในแง่จิตวิญญาเราไม่ได้หวังร้ายกับตัวเองและผู้อื่นนะแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อเขาก็ทําตามสัญชาติยานซึ่งนั่นพุทธศาสนาปฏิเสธการทําตามอารมณ์นี่ใช้ไม่ได้ครับแล้วทําตามสมมตุติที่ทําให้ชีวิตตัวเองและสังคมดีขึ้นพุทธศาสรับรองมาใช้ได้แต่พอมาถึงความรู้ขั้นเด็ดขาดนี้ไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่วผิดหรือถูกกันแล้วครับ เป็นโลกรู้เจอทมผมคิดว่าผมแจกแจงชัดเจนนะถ้าถามผมอีกว่าทำไมต้องมีความรู้สองระดับเพราะโลกนี้มีคนสองระดับคนที่รู้ธรรมะคนเพิ่งรู้หรือไม่รู้นะครับจำเป็นมากครับที่ต้องมีความรู้ขั้นสมมุติมีเขามีเรามีพ่อมีแม่มีมีดีมีชั่วมีการทำดีเพื่อให้คนอื่นเป็นสุขและตัวเองพรอยได้รับสุขด้วย มีเรียกวระดับจริยธรรมครับถึงคนที่เขาเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีนี่พอพอเชื่อได้วเขาเป็นคนดีครับเขาเป็นคนโกลบ a l l y เว้นไว้แต่เขาอ้างเล่นให้หลอกเราในเรื่องหนึ่งนะแต่เขาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่และความเชื่อความไม่เชื่อจบสิ้นลงครับเมื่อความรู้จริงๆรปรากฏขึ้นไม่มีทั้งเชื่อไม่มีทั้งไม่เชื่ออีกแล้วครับทั้งตายเกิดทั้งตายสูญ หักแหลกกตรงนั้นครับคนคนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องตายเกิดตายสูญอีกแล้วครับจริงๆปัญหาเรื่องตายเกิดตายสูญเป็นปัญหาอะไรโลกแตกใช่ไหมเขาเรียกเถียงกันไม่รู้จักจบ ค, ครับตอนนี้ข่าวจริงๆนะครับว่ามีการพิสูจน์ว่าชีวิตไม่ได้เริ่มเมื่อเกิดแล้วมันจะจบสิ้นเมื่ตายด้วยครับมีการทดลองในวิทยาศาสตร์ในค่ายโซเวียตด้วยนะครับผมดีนข่าวแต่ว่า ชีวิตก่อนเกิดกับหลังตายสัมพันธ์อย่างไรนี้ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ชัดแต่พิสูจน์ได้ว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดมันมีการเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นและสิ่งน่าประหลาดก็คืออุปนิสัยของเด็กแต่และคนไม่เหมือนกันเลยครับต่อให้จับจึงและน้อมเดียวกันหนึงก็ไม่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชวนกบคิดว่าความรู้ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดโลกนี้โลกหน้านั้นสําคัญอยู่ แต่ว่าความรู้ในเรื่องการสิ้นพบสิ้นชาติสําคัญกว่าสําคัญที่สุดพุทธศาสนานี่ยเป็นศาสนาที่เป็นกลางๆกันะครับเราไม่ได้ไปเสด็จความเชื่อโบราณทีเดียวนะแต่พร้อมกันนั้นก็จัดสัดส่วนความรู้จริงๆความรู้แจ้งประจักษ์นี้ไว้เฉพาะองุธสห์มาผู้เป็นชาวพุทธจะไม่โต้เถียง ใ, ใครเลยครับไม่โตเถียงยังนั่งต้องชกปากกันรู้พอพูดกันเรื่องสมมุติ ชาวพุทธกำหนดรู้ได้นี่เราพูดในระดับสมมุติพระเจ้าสั่งมุส า, าวกคคุณท่านว่าเมื่อสนทนากับคนที่เชื่ออย่างอื่นนั้นให้วางท่าทีแบบชาวพุทธเช่นเมื่อเขาแสดงลัทธิความเชื่อของเขาพุทเป็นชาวพุทธจะบอกว่าผมไม่อันโมทนาและไม่คัดค้านคุณเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยค้านก็ไม่ค้านฟังความความเห็นของผมบ้างเท่านั้นเองไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกัน นนี้เป็นวิธีการที่พนนระเจ้าท่านแภาษาวกนะคแต่ส่วนใหญ่เราถนัดค้านเราไม่ชอบเราก็ค้านเลยล้วในสุดความเป็ชาวพุทธของเราก็แหลกเป็นผงนะแล้วแลเราก็ไมด่ดีกว่าชาวอื่นด้วยยิงหลักธรรมในพุทธศาสนานหนักแน่นกว้างขวางรอมชอมแล้วก็เกิดผลดียิ่งกับตัวเองและสังคมครับสมมติคนก็เชื่อเรื่องเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่มีเหตุผลที่จะทาลายความเชื่อเขา เราถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องไปเกลียดชังเขาถ้าเขาอยากจะฟังทัศน앙เราเรื่องอริยสัจเรื่องการเจริญสติซึ่งเขาเชื่อว่าตายแล้วสูญก็ได้ครับแต่ขอให้เจริญสิ่งนี้ขึ้นมาในสุดเขาจะค่อยๆเข้าสู่ทัศนะที่เป็นกลางๆแล้วจะเกิดผลดีกับตัวเขาด้วยพอไหมครับคำตอถ้าไม่มีคนสัตว์หนุกคนแล้วทำไมมีพระเทวทัศที่ว่าไปตกนรกแล้วคะจะมาพรัฒราพุทธเจ้า ก็บอกแล้วว่าเป็นสองระดับนะฮะอันนี้มันเป็นโลกนี้มีแม้แต่มีพระพุทธเจ้านึงเป็นสมมุตินะฮะมีผู้เจ้ามีพระเทวทัตมีมารยาเทวีมีลาวุนมีคุณเองมีพ่อแม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่เรารู้กันอยู่ส่วนระดับซึ่เรื่องโลกุตตระเนี่เมื่อสติเต็มเปี่ยมแล้วนะครับนิมิตต่างๆจะดับหมด ความคิดเชงแยกแย้ายเป็ น, เ ป, นเป็นดีเป็นชั่วนั้นเป็นในระดับสมมุติเท่านั้นครับนั้นผู้ที่จะเข้าถึงแก่นคําสอนที่เป็นโลกุตระต้องผ่านกระบวนการภาวนาครับเรียกวิทัศนาเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแต่แล้วเราพบว่าบทบาทของพระเจ้าบางครั้งภาษาวกครั้งวุฒิการก็งงกับบทบาทของท่านนะเช่นท่านสอนเรื่องไม่มีตัวตนเราเขาแต่แล้วเวลาท่านเล่าชีวิตของท่านตั้งกับ ว่าคนนี้พิมพามาเห่สีของเราลาหุนพระสองค์หลายองค์งงครับจนต้องภาษาริบุตรต้องนั่งแจกแจงว่าพระองค์ท่านเอ่ยโดยสมมุติแต่จิตใจหายยึดถือเอาไหมอะไรนี้นะครับผมคงไม่ทําให้สับสนนะแต่แบ่งสับสนไว้เท่านั้นเองว่าความรู้ขั้นโลกุตระนั้นเราคิดเอาไม่ได้ครับคิดเอาด้วยความคิดสามัญนี้ไม่ได้เลยเราต้องผ่านกระบวนการภาวนา การพัฒนาไอ้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับสะสมความรู้สึกตัวเหมือนกับเราสะสมน้ําที่ระยดน้ํานงหยดแก้ก็หายไม่ได้แทกไม่มีประโยชน์ต้นไม้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะแต่สิบหยดหลายร้อยหยดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นแก้วน้ําก็ดับก็หายได้กลายเป็นห่วงน้ําก็เกิดชีวิตกลายเป็นทะเลนก็เกิดสัตว์น้ําที่ใหญ่ๆนะ มันภารกิจของเราไม่ใช่การมุ่งคิดว่าไม่มีตัวตนอย่างไรพรามเนในนี้ทะเลาะในนั่งซึ่งเป็นเรื่องอัตตาเรื่องอัตตามันไม่ใช่เรื่องต้องมานั่งทะเลาะ ก, กันนะฮะภาระคือเราต้องพัฒนายตัวการสําคัญที่ที่เหมือนเราปลูกต้นไม้นะฮะเราได้เม็ดพันไม้มาหนึ่งเม็ดไส่เม็ดโพหรือเม<ๆ>็ดเป็นอย่านมานั่งทะเลาะ ก, กันว่าออกผลกี่ลูกทะเลาะกันจนตายก็ได้ครับแต่นหน้าที่เรามีคือเราต้องเพาะมันขึ้นมาถูกไหมฮะ พุสติค่อยๆสะสมตัวมันเองเข้มข้นขึ้นนะครับความมืดทึบความสงสัยต่าง ๆ, ๆนาะนาะเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าทําไมอยู่ดีๆคนหนึ่งๆมันมีเรื่องอะไรเจอหน้าเราบอกตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณมันหาเรื่องอะไรนะ <c oughs> หน้าตกใจเหมืกันนะครมบทัเราเดินเดินในเ้เจพระเจ้าเขาต้องบอกตัวเธอไม่มีนะเอ๊ะคนพูดสบายหรือว่าเราไม่สบายกันแท้เนะี่มีครื่องหนึ่งในะสมัยพุทธกาลนะ เด็กหนุ่มคนหนึง่งพาผู้หญิงไปเที่ยวในปาร์คผู้หญิงขโมยสร้อยขโมยเสื้อผ้าเออของกระดับก็เที่ยตามหาเจอพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาก็เข้าไปถามว่าเห็นผู้หญิงผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าพระองค์ท่านบอกเธอจะหาหญิงหรือหาตัวเองดีคือตัวเองศูนย์ไปยังไม่รู้ตัวตั <laughs> ้งแต่คำอันนี้มันกระทบเข้าไปแล้วก็ตอนนั้นเกิดการสนทนานะจนนำมาเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นนะครับ กลายเป็นภาษาวกุ่นแรกๆสามสิบกว่าคนครับมนุษย์แสวงหาตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองมันว่างเปล่าเราไม่รู้ตัวเองคือใครใช่มในสุดของการแสวงหาก็คือการเรียนรู้ที่ตัวเองประจักษ์แจ้งความรู้สึกตัวที่ตัวของตัวเองความรู้ทั้งหมดนี้เริ่มต้นในตัวเองครับเพื่อง่ายแต่ว่าถ้าเริ่มที่ครูเป็นสมมติตั้งนั้น เริ่มต้นที่ครูก็เป็นความรู้ที่เราจําเข้ามาถ้าครูเราเข้าใจผิดเราพลอยผิดด้วยครับต่อให้ครูเข้าใจถูกแต่เราไปจํามันเข้ามาเราก็ยังไม่ถูกอยู่ดีถูกหมายความว่าถูกต้องแล้วคําว่าถูกต้องนี่คาว่าต้องนี่มนหมายวา่าเช่นต้องนำแปลมันสัมผัสเองภาษาไทยนะเราจับต้องความรู้ที่สัมผัสตัวเองได้ครับที่ผมบอกความรู้สึกตัวสด ตามทัศนะของผมนะครับว่าสิ่งนี้สําคัญจะเป็น ต, ตัวชี้ขาดสูงความรู้ที่เราจํามานี่มันธรรมดาที่เราต้องสงสัยนะเราไม่เห็นเองคนระับเหมือนความจําของเราก็ไม่สมบูรณ์บางทีผู้สอนเราก็ไม่สมบูรณ์แต่ว่าการที่เราสัมผัส ด, ด้วยตัวเองได้นี่มันเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นเองครับมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ ไ, มได้ท่านจึงว่าธรรมะเป็นปัตจิตัดตงด้วยเราะนนี้นะฮ ร, รู้ได้ชอบเพาะตัว พอเล่าสู่กันฟังเป็นสมมติครับพอเราทบทวนเป็นความทรงจาแต่ตอนสัมผัสนี่เป็นเรื่องจริงเลยครับมีมีอะไรไหมครับดังนั้นผมขอลาเท่านี้ครับ